أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل و سلم على نبينا محمد و على آله وصحبه أشمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم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 ربنا أ ت ن ا م ِ ن ل د ُ ن ك ر ح م َ ة و ح ي ل ن ا م ن م ر ن ا ر ش د ا الحمد لله شكر الله ح ا ن و ت ع เรายังคงอยู่ใน سور ุชูรอซึ่งเป็นหนึ่งในจานวนสราที่มีนหาในการเรียกร้องเชิญชวน ให้มนุษยชาติกลับไปสู่ศ ah, ok ัจธรรมศาสนาอันเที่ยงแท้จากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อ้ายต์ที่เราอ่านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอายต์ที่สิบสามเป็นอ้ายต์ที่ยิ่งใหญ่อายต์หนึ่งเพราะเป็นการพูดถึงเนะ้อธรรมที่อัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ให้เราได้มีอิสลามเป็นบทบัญญัติในการใช้ชีวิตบทบัญญัตินี้ ศาสนานี้เป็นศาสนาที่สืบทอดมาตั้งแต่รอซูลคนแรกเป็นศาสนาของบรรดาอุลลุลอซมมินรุสุลตั้งแต่สมัยนบีูอะลัยฮิสสลามบดอบราฮมนบีมูซานบีอลัยฮิมุลวัสสลามเป็นศาสนาที่อัลลอซุบฮานะวะตะลได้กําหรดเอว้แล้วมีรากฐานอันเดียวกัน หน้าที่ของเราก็คือจะต้องทำให้ศาสนานี้ของ Allah Subhanahu Wa t ดำรงอยู่ต่อไปในอดีตประชาชาติในอดีตได้ทำหน้าที่ของพวกเขาแล้วเราในยุคสมัยของเราในช่วงของเราก็จะต้องทำหน้าที่นี้สืบทอดไปอินชาอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาอละเดี๋ยววันนี้ นะครับอายัดที่สิบสามเนี่ยมันจบท้ายด้วยความสวยงามมากนิดหนึ่งก anyway, ่อนที่เราจะอ่านอายัดใหม่ในวันนี้นะครับอยากจะขอย้อนกลับไปที่ตอนตอนท้ายของอายัดที่สิบสามที่อัลลอฮฺตะลาบอกว่ายาสต์บีอิเลห์มิเยชาอัลลอฮฺเยจต์บีอิเลห์มิเยชาวยะบีอิเลห์มิยูนิบสองท่อนนี้ อีกความสวงเงาเหมือนยิ่งอัสซาดีรับอิมัลลอฮ์ตนวะวยังไร่จะ ختار من خليقتة من يعلم أنه يصلح ل ل إ ج ت ب ا ء لرسالته وولايته ومنه أن اجتبا هذه الأمة أفضلها على سائر الأمم واختار لها أفضل الأديان وخيرها الله ت ع รงเลือผู้ที่พระองค์ทรงประส เลือกให้อะไรเลือกที่จะให้รับภารกิจในการแบกรับสางของพระองค์ละตัลเลาะห์เลือกบ่าวของพระองค์บางคนให้เป็นรอซูลบรรดารอซูลถูกเลือกจากอัลลอฮ์และประชาชาติที่ทําหน้าที่ช่วยเหลือบรรดารอซูลก็เป็นผู้ที่อัลเลาะห์ทรงเลือกลัลเลาะห์ทรงเลือกอัลลอฮฺเราได้เป็นมุสลิมเพราะการเลือกจากอัลลอฮ์ سبحانه และตัลเลาและหนึ่งในจำนวนการเลือก อัลลอฮฺต um um um um um ั um, a, Allah, ้ลลาเลือกก็คือเลือกให้เราเป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลฺท่านเลือกให้อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นอุหมะที่ดีที่สุดท่านให้ความประเสริฐอัลลอฮฺตั้ลลาให้ความประเสริฐพระองค์อัลลอฮฺตั้ลลาเลือกอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดให้เป็นอุหมะที่ดีที่สุดเหนือบรรดาอุมมะทั้งหลายเลือกให้ศาสนาที่เรารับมาจากท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนาที่ดีที่สุดนี่คืออัลลอฮฺเยจเตบีอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเลือกอัลลอฮฺอั วายฮดีอิเลยฮิไมยูนีบอัลลอฮ์ทรงให้หิดายัดทรงชี้ทางกับคนที่กลับไปหาพระองค์เป็นหลักฐานว่าถ้าใครแสวงหาอัลลอฮ์เขาก็จะเจอกับฮิดายัถ้าใครที่มุ่งมัน่นจริงจังจริงใจบริสุทธิ์ใจในการแสวงหาความถูกต้องวันหนึ่งเขาจะต้องเจอบางคนอาจจะอ้างว่าฉันเป็นอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์แต่ละ ไ, ไม่ให้ฮิดายัด เดี dia ok on, man ๋ยวก่อนคุณหามันหรือเปล่าท ah ี่เราบอกว่าอ ah ัลลอฮ์ตะลาไม่ได้ชี้ทางเราเนี่ยเราหามันหรือเปล่าเราไม่ได้หามันเราทําตัวเองไม่ให้ได้รับฮ idayat จากอัลลอฮ์ตะลาเราไม่ได้ทำ a s บ a b ที่จะให้เราได้รับฮ idayat แล้วเราจะมาพูดว่าอัลลอฮ์ตะลาไม่ให้ฮ idayat เราก็เราไม่ได้กลับไปหาอัลละฮ์เราไม่ได้ต้องการมันอัลลอฮ์ตะลาจะให้ทําไม yahdi ilaihi mai yuni อัลลอฮ์ตะลาจะให้ฮด d a ะ a t กับคนที่กลับไปหาพระองค์นะว่าหาสาเ อัลลอฮีมินะลับดอิม่ามอัส um สัดีบอกว่านี่คือมูลเอตที่ต้องเกิดมาจากตัวบาปถ้าเราอยากจะได้ฮ idayat ัลลอฮ์ต้องกลับไหาพระองค์ต้องสวงไหมครับพระองค์จะต้องใช้เครื่องมือนี้ในการรับฮ i d a y a ัลลอฮ์วอินาบตุห์ลูรับบวจิซาบุดวาัลบอไล ว่า كونه قاصدا وجهه فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الاداية ومن من أسباب التيسير لها الله أكبر เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นคนดีไม่ได้เพราะอะไรละตะหนักไม่ให้ฉันเป็นคนดีตัวเอง ไม่ได้พยายามที่จะเป็นคนดีไม่ได้กลับตัวกลับใจต่อละตละตลาแล้วจะมาอ้างว่าละตละลาไม่ให้ชี้นาไม่ให้ทางนํากับตัวเองได้อย่างไรอันนี้คือตอนจบจากอายะที่ผ่านมาวันนี้เราจะต่ อ, อนะครับอายะที่สิบสี่สิบห้าสิบหกไม่รู้ว่าจะอ่านไหมทั้งสามอายะนะเรามาอ่านกันก่อนก็แล้วกันอ่านสักสองอายะนะเผื่อไว้เผื่อไว้สักสองอายะอินชาอัลลอฮ์สุรุตุชูระอายะที่สิบสี่ อา عوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم و َلَوْ ل َ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إ ِ ل َ ى أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ <ت ص في ق> وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي ش َ ك ِّ مِنْهُ مُرِيبٌ ف َ ل ذ ٰ ل ك فدع واستقم َ كما َ أمرت َِ ولا َ ف َ ل ذ ٰ ل ك َ فدع َ واستقم كما َ أمرت ُِ ت ت ت و َاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ <ت ص في ق> وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أ َ ن ْ ز َ ل َ และข้าพเจ้าก็ ل ั่งให้เราตั้งข้อตกลง แล้วงานขาละนขอกุม่มีความวคุ Allahu y อ j m ā ʿ bīnna ะ a ilayhi al-maṣir a l a m d u lillāh ซองอายัดอายัดที่สิบสี่จริงๆแล้วตั้งแต่อายัดสิบสามเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะ มันมีความหมายคือพูดเรื่องเดียวกันอยู่อายะที่สิบสามเนี่ยเป็นคำสั่งให้เราทุกคนช่วยกันทำนุบำรุงศา ส, สนาของ Allah s u b h a n a h และได้ะอย่าได้อย่าได้แตกแยกในเรื่องศาสนาอย่าแยกเอาไปทำศาสนาเองไปคิดคนอุตริบดบัญญัติเองในศาสนาของ Allah ุ u b น a n a ที่นี้อยักที่สิบสี่นะว่ามาที่ฝรั่อัลลอฮท่าาสั่งไม่ให้แตกแยกแต่ความเป็นจริงเป็นยังไงมนุษย์แตกแยกกันไหมในเรื่องศาสนาโลกนี้มีกี่ศาสนามีศาสนาเดียวไหมโอ้ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากเดิมมนุษย์มีเพียงแค่ศาสนาเดียว อาดัมอะลัยฮ ok, ิสสลามลงมายังโลกดุนลานี้ด้วยศาสนาเดียวด้วยคําสอนเดียวจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานาวะตะละแล้วอัลตะลาก็บอกว่ามนุษย์ทุกคนลูกหลานของอาดัมทุกคนต้องอยู่ในกรอบของศาสนาของพ่อของเจ้าก็คืออาดัมกับอวะวะวะแล้วจะจะฝรัูฟีอย่าได้แตกแยกออกไปทํานู่นทํานี่เยอะแยะมากมาย นี่คือคำสั่งที่อัลลอฮฺตัาลอต้องการจากเรานะแต่ในความเป็นจริงเป็นอยังไรอ่ดูสิความเป็นจริงยังไม่ถึงยุคเรานะอ่านไปแค่พันปีมีมนุษย์บางส่วนที่แตกออกไปจากเส้นทางของอัลลอฮฺตลลเริ่มมีชิริกเริ่มมีการตั้งภาคีต่อพระองค์จนกระทั่งอัลลอฮฺตัาลอต้องส่งใครมาต้องส่งนบีนู อัลัยฮิสลามมาทําการด่าวะมาเชียรเรียกร้องชนชนให้มนุษย์กลับไปสู่ศาสนาของล l l a h มีคนเชื่อฟังโน้กี่คนและมีคนที่ไม่เชื่อฟังกี่คนอ่าดูตั้งแต่ยุคนู้นเลยยังไม่ต้องดูยุคเราแล้วเราจะได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกที่สภาพปัจจุบันมันเป็นอย่างเงี้ยต้องดูตั้งแต่ยุคนู้นเลยยังไม่ตยุคเราแล้วเรสลามเนี่ยคนที่ขึ้นเรือของดตัา่ยนนาุนู้นเลยยู กับคนที่ต้องจมน้าตายอันไหนมากกว่ากันเห็นไหมสุภานัลลหรอแม้กระทั่งภรรยาของโนเองแม้กระทั่งลูกของโนเองอัลลอฮุมูสลามดะาวลาลลกูวาตอยลลาบิลอห์จมน้าเพราะฉะนั้นวะมะทัฟรักุอิลลามิบัดมะจ้าฮุมุลกลิบบกงยันเบญนฮุ มันเป็นอย่างนี้แหละมาตั้งแต่ยุคนู้นมาศาสนาของลัตตารามีอยู่อันเดียวลัตตาร์เรียกร้องให้มนุษย์ทั้งหมดกลับไปสู่ศาสนาของพระองค์แต่ว่าผ่านทุกยุคสมัยมามีคนที่แตกออกไปจากเส้นทางของลัตตาร์เยอะแยะมากมายสมัยของนูสมัยของฮูดสมัยของซอซล่ะสมัยของอิบรอฮิมสมัยของเนียมูซาอีซาจนกระทั่งถึงยุคของท่านนบีมุฮัมมัด ว่าจัณฑ์ว ر ามาที ا ฝรั ah um ่งอุ่นอุ่นอุ่ م อุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุนอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอ่นอุ่นอ่นอุ่นอุ่นอังนอุ่นอ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นอุ่นุ่นอุ่นอุ่นอุนอุ่นอุ่นอุ่่ออ่่ บรรดามุสลิมรวมตัวกันนะครับเป็นหนึ่งอันเดียวกันในศาสนาของพวกเขาวะนะฮฮุมานิะรุกตลามไม่มีการแตกแยกกันในเรื่องศาสนาอัครบาะฮุมละกลบอกว่าพวกเขาอยารู้สึกรู้สึกลำพองตนว่าตัวเองเนี่ย ได้รับคำพีจาก a าแล้วจะไม่แตกแยก س ฮ ح ا ะ a ล l ชาวมุสลิมได้รับคำพีจากะ l l a าแต่ต้องระวังการที่เรามีคำพีอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าเรามีคำพีเอาล u r a าแล้วเราจะอยู่บนเส้นทางของล l ะ a h ตลอดทั้งหมดไม่ใช่เพราะอะไร فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع ففعلوا قط ما يأمر به كتابهم เพราะว่าก่อนหน้าชาวมุสลิมก่อนหน้าประชาชาติมุฮัมมัด أ ลุลกิ ت าบประชาชาติที่เคยได้รับคัพิมพ์มาก่อนว่าจะเป็นประชาชาตินนประชาชาติอิบรอฮมประชาชาติมูซาอิสซาได้รับคัมภีพ์มาจากอัลลอฮฺ تعالى แล้วสุดท้ายพวกเขาเป็นยังไงตั้วรกูแตกออกไป ในฮะดิษเนี่ยท่านนาบีสลต่าสุ ล, ลอบอกว่ายัางไงประชาชาติของนบีนบีมูซาแตกออกเป็นเจ็ดสิบเอ็ดพวกประชาชาติของอีสาแตกออกเป็นเจ็ดสิบสองพวกและประชาชาติของทของฉันจะแตกออกเป็นเจ็ดสิบสามพวกนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นสาเหตุเพราะอะไรบอร์เรียนมิมอินเแตกแยกหลังจากไหนหลังจากที่มีคำพีมาแล้วนะ คนที่ไม่รู้อะไรเนี่ยเขาไม่มีปัญหาหรอกส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาก็คือคนที่พอจะรู้มาแล้ ว, <laughs> ลวอิลลัคอิลอ ล, อ ล, า ล, าลัลล่พวกของนบีมูซา ย, AH ยาฮูดีพวกยะฮูดแตกออกไปจากนาบีมูซาหลังจากที่เตารอนลงมายังพวกเข้าแล้วพวกของนบีอิสาอัลลอฮิสซาลาแตกออกเป็น น, นะนิกายนั้นนิกายนี้เข้ากันไม่ได้แล้วไม่ยอมรับเึ่งกันละกันนะ ระหว่างสองนิกายเนี่ยเขามไม่ยอมรับซึ่งกันและกันไม่ยอมรับอนิกาย<ม>อะไรอ่ะมันจะมีอยู่สามนิกายใหญ่ๆในในนิกายของเขาเนี่ยอ่าโรมันคาทอลิกโปร เ, สเตสแตนต์แล้วก็โออร์โธดอกต์อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกทุกอย่างมีบทบัญญัติคนละแบบกันเลยอันนี้แตกแยกกันว่าอะไรแตกแยกหลองจากที่มีอินี ล, ลงมาแล้วสุภาพนลลาลอเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใน ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและมันก็จะเป็นอย่างนี้สาเหตุของมันเนี่ยไม่ใช่เพราะแตกแยกไม่ใช่เพราะความรู้แต่ที่แตกแยกนี่เพราะอะไรครับบัยันไปนาหมที่แตกออกไปเนี่ยเนื่องจากอัลบยุบัยันไปนาห์มฟะฟะลูวะคุลูุบักยันวะอุดวานัมมินห์ บั้งยันนับประทยบใจกับวรื่องยังไงว่ามาที่ฝรั่งอุัลลามิบณที่มาถึงพวกเขาได้แตกแยกกันหลังจากที่ความรู้ได้มายังพวกเขาแล้วนั่นก็เพราะว่าพวกเขาต้องการจะสร้างความอธรรมในหมู่พวกเขากันเองอ่เ า, งงเาเขาใจยังไงพวกเราเข้าใจยังไงบั้งยันใบหนะาผมก็คือว่ามันเกิดมาจากความรู้สึก ในใจยอมรับไม่ได้การแตกแยกตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในในตั f ซ i r เนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่บรรดาอลัลกิจับเพราะอายตนี้กำลังพูดถึงคนที่เคยได้รับกับพีมาก่อนใช่ไหมครับคนที่เคยเป็นหนึ่งเดียวมาก่อนคนที่เคยเป็นผู้ติดตามบรรดานาบีมาก่อนหน้านี้เคยเป็นศาสนาเดียวกันมาก่อนแล้วมาแตกออกที่หลังหลังจากที่รั่ว รอศูนคนสุดท้ายไม่ได้มาจากพวกเอาชาวคัมภีรู้จักมุฮัมมัดไหมซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แค่รู้จักนะครับฟารหยอหูดีนี่ฟารหทําไมชาวยอหดีถึงมาอาศัยอยู่ในเมืองมัดีนะรู้ไหมครับชาวยอหดีเดิมๆไม่ใช่คนมันดีนาะ อยู่ทางนูน่นทางแถวกําเนิดทางชามทางที่มาที่เมืองมาดีนนะเพราะในคัมภีร์ของพวกเขาบอกว่าเราซู้คนสุดท้ายจะกาเนิดในเมืองที่มีต้นอินทพารามเยอะเมืองที่มีต้นอินทพารามเพราะฉะนั้นเขาเชาวยอดีจึงกระจัดกระจายไปอาศัยอยู่ตามเมืองที่เป็นมีต้นอินทรพารามเยอะๆหนึ่งในจำนวนเมืองที่พวกเขาอยู่ก็คือเมืองมาดินนะเพราะเมืองมาดีนนะเป็นเมืองที่มีอินทพาราม เวลาที่ทะเลาะกันกับคนอาหรับกับคนพื้นเมืองเดิมนียยิโดีทะเลาะกับพวกคอสรว์พวกอาหรับพวกเปาอาหรับเนี่ยก็จะยกอ้างยกอ้างว่ายังไงรอเถอะสักวันหนึ่งจะมีนบีของพวกเรากําเนิดมาแล้วเราก็จะเอาชนะพวกเจ้ารอว่าเมื่อไหร่นบีคนสุดท้ายจะมาศึกษาทั้งหมดเลยนะว่ามีเครื่องหมายอะไรบ้างนบีคนสุดท้ายที่จะมาเนี่ย มีเครื่องหมายตรงนั้นมีเครื่องหมายตรงนี้รู้จักยิ่งกว่ารู้จักลูกของตัวเองอยาริฟูนะฮะกคมาอยากริฟูนะอับดุอาห์มชาวยอหดีเนี่ยรู้จักท่านนาบีก่ อ, อนที่ท่านนบีจะเกิดก่ อ, อนที่ท่านนบีจะมาหาพวกเขาเนี่ยเหมือนกับที่พวกเขาลูกรู้จักลูกหลานตัวเองแล้วพอท่านนาบีมาถึงมาดินเนาะเป็นยังไง ร, รับไหมทําไมไม่รับทางทางที่รู้ทางทางที่รู้แล้วว่าคนนี้แหละคือนบีคนสุดท้ายทําไมแม่รับ ที่ไม่รับเพราะนี่ใจมันรับไม่ได้บาเรียนไปนะคบ้าเรียนเนี่ยคือนิสัยเสียที่มันรวมอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาริษยาความเครียดแค้นความโกรธเคืองรวมทั้งหมดอยู่ในคำว่าบาเรียนไม่อยอมรับความจริงรับไม่ได้รับ เ, เราเข้าใจว่านาบีคนสุดท้ายนี่จะเกิดขึ้นในหมู่ในหมู่ใคร ในหมู่บานี้อิสราเอลในหมูพวกเราในเผ่าของเราแต่อยู่ๆไปเกิดในเผ่าใดไปเกิดในเผ่าอาหรับแล้วทิศทะเลาะกับอาหรับมาก่อนหน้านี่ตกลงใครชนะหละที่นี้แสดงว่าอาหรับชนะเลยนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขารับไม่ได้ชาวคัมภีรรับไม่ได้ที่มีนบีมาจากคนที่ไม่ใช่คนเผ่าพวกเขาบายันไปไหนา ท, าทางที่พวกเขารู้อย่างแน่ชัด เพราะฉะนั้นเราจะเห็นบรรดานักตท็ซี่นะครับจะมุ่งเป้าในการอธิบายว่าคนที่แตกแยกตรงนี้หมายถึงบรรดาคนที่เคยได้รับกคำปีมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันนะครับอายั น, นี้ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงหรือว่าจำกัดเฉพาะชาวคำปีเท่านั้นแม้กระทั่งพวกมุชริกีนเองพวกอาหรับเองถามว่าที่ไม่ยอมรับท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมเพราะอะไรเพราะมูฮัมมัดเป็นคนชั่วไหมเพราะ มูฮัมหมัดเป็นคนไม่ดีไหมเพราะมูฮัมหมัดไม่มีวุฒิภาวะไหมไม่ใช่เรื่องอื่นรับได้หมดรับได้หมดต อ, อนที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสละสละจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเนี่ยโอ้โหมูฮัมหมัดเป็นที่หนึ่งในมักกะยกย่องเชิดชูไม่มีใครดา่ามูฮมหมดเลยสักคนยกย่องให้เป็นอัลอามีนแต่พอประกาศตัวว่าเป็นรอซูลเป็นยังไงรับไม่ได้ รับไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่ามุฮัมมัดคือคนที่เป็นรอซูลจริงๆรับไม่ได้เพราะอาวุโสน้อยกว่าแล้วมาเรียกร้องให้กลับไปสู่กะริมะัลละอิลละฮ์อิลล allah อ้าแล้วอิลละทั้งหลายที่อยู่รอบกาบาะจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่าตัวเองเคยเคารพพัก ด, ดีอิลละเยอะแยะมักมายรอบๆกาะสามร้อยหกสิบตัว แล้วมุฮัมมัดมาบอกว่าสามร้อยหสิบตัวที่อยู่รอบกัปบะไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมทั้งหมดเลยรับไม่ได้บเปลี่ยนไปแลาวเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอายัดนี้จะพูดถึงอาดุลกิทาบสิ่งที่พวกเขาแตกไม่ยอมรับศาสนาอันแท้แท้ที่มุฮัมมัด น, นําเอามาก็เพราะสาเหตุของหัวใจเปลี่ยนไปนะหรือพวกมุชริกีนที่ไม่ยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลสลัลไม่ใช่พวกเขาไม่ยอมรับในความเป็นจริง แต่เป็นเพราะบรียันไปนะเาใไหมครับสาเหตุของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่แตกและเป็นปฏิปักษ์กับอัลลอฮฺตาอลาเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่รู้รู้แต่มีโรคอยู่ในใจโรคที่ว่านี้ก็คือโรคอัลบยัลอยาุบิลลอัมินตลิเพราะฉะนั้นโรคนี้นี่มันยังไม่หมดนะมันยังมีอยู่ อ่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะบดไปมันเป็นมันเป็นอะไรที่อัลลอสุบัยนอตะลาต้องการทดสอบมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะระชาชาติของท่านนบี m u h a m m ล d มทดสอบมาทั้งหมดละระชาชชาติก่อนหน้านี้ก็ทดสอบแบบนี้แหละว่าใครกันแน่ที่จะมาอิกรมาตุดดีจะยืนหยัดอยู่กับศาสนาอัลล์แล้วก็ไม่ไปทางขวาหรือทางซ้ายแยกออกไปเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีโรคนี้ไม่มีหรอกคนที่แยกออกไปจากฐานหลักของชรยัตหรือว่าศาสนาของอัลอลอฮ์แต่ละละอิลลฮ์อิลลัลลอฮ์ต้องระวังนะต้องระวังหัวใจหัวใจของการที่เรารู้แต่เราไม่ยอมรับความจริงรู้ความจริงแต่ไม่ยอมรับความจริงเพราะว่ามีสาเหตุอื่นมาเกี่ยวข้องสาเหตุทางโลกสาเหตุทางผลประโยชน์หรือสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ ทำให้ความจริงที่อยู่ทั้งหน้าเรารำร้ออยู <si ่แล้วเราหลักสายออกไปเพราะโรคที่มันเป็นโรคร้ายในหัวใจของเราบิ Allāhu ัละลาบอกว่ยไง ولو لا كلمة บ ب ق ت من الرّبك إلى أ ج ม مسمى لا ق ض บ ب ي ن ะถ้าสมมติ Allah ัละลาไม่กําหนดมาล่วงหน้าแล้วว่าพระองค์จะไม่ทําลายมนุษย์แบบทําลายล้าง ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะไม่มีการทําลายล้างแบบนี้ถ้าเป็นยุคก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมีกาละมัมมีมีอะไรไปเลนะมีการทําลายแบบนี้แต่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านนบีขออุอาัสต์อัลลอฮ์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดจะไม่เจอกับการทําลายล้างแบบเดียวกันกับประชาชาติก่อนหน้านี้เหมือนที่ประชาชนนบีนุ่มถูกทําลายด้วยน้าท่วม ผลประชาชานน บ, บีฮูสถูกทําลายด้วยลมเจ็ดวันแปดคืนอ่ะสบาอะไรแย่เลยเจ็ดคืนแปดวันหรือการทําลายแบบพวกของน บ, บีซอนแหละจะไม่เกิดเพราะท่านน บ, บีขออุดมอาไวล้ละว่าจะไม่ให้เกิดเพราะฉะนั้นสุบภานัลล่นแหะประชาชาิของท่านน บ, บีมุฮัมมัดแม้ว่าจะปฏิเสธตัลลอฮ์ตาลามากแค่ไหนฝ่ฟาฝืนตัลลอฮ์ตาลามากแค่ไหนอัลลอฮ์ตาลาสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ทําลายหลงัง แต่จะรอลงโทษทีเดียวที่ไหนวันเกียรติ์นี่คือกะรีบะพระอาัาลลอฮฺบอกว่าแล้วละกะรีบะตุนซาบอกว่าถาลตัลาไม่บอกเอาไว้ล่วงหน้ากําหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพราะองค์จะไม่ทําลายล้างแต่จะลงโทษทีเดียวในวันเกียรติ์เนี่ยพฤติกรรมที่มนุษย์ก่อขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมันสามารถที่จะเป็นเหตุให้ให้เกิดการทําลายล้างได้แล้วพี่น้องเข้าใจไหมครับ สาเหตุที่พวกขนบีฮุุดถูกทําลายล้างในยุคนั้นเพราะอะไระเพราะเหตุของการ ฝ, า ฝ, า ฝ, าฝา่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ใช่หรือโดนทําลายล้างไปสาเหตุของพวกนบีฮูดถูกทําลายล้างเพราะอะไรเพราะปฏิเสธเพราะอาหารกาห ร, าราาืออัลตะลาไม่ใช่หรือแล้วทําไมพฤติกรรมเดียวกันที่มันเกิดขึ้นในประจาเจ้าของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยถ้าอัลตะลาไม่กําหนดมา ก, ก่อนเนี่ยพวกเราโดนทําลายล้างเป็นแล้ เพราะพฤติกรรมเดียวกันและบางทีอาจจะหนักกว่าในประชาชาติ่อนหน้าด้วยซ้ำแต่ไม่ถูกทําลายเนื่องจากอัลลอฮฺตาลาบอกไว้แล้วว่าพระองค์จะไม่ทําตายประชาชาติของความมัดจะรอทีเดียวในวันแเกามัดตะลิยาอูเบลละอันนี้คือความหมายของมันนะโวลาลาคิลมตุนซับักต์ุนรับบิกะลาคุดยาเบยนะฮ์มลาอิลลาห์อิลลอห์ ว่าอินนัลนที่นัอูรักษร์อัลักษรอกษร์อักษร์อักษร์ักักษรอักษม์อักษรร์อร์อัร์อักษร่อักษรัร์อีกษร์ังจรกพวกเขาอักษร์ักษรกษร์อนกษรมอรีอักษรกษรักษรอัก่รอักษร์อักร์อร์องกักัยอักอั์อักอักษร์อรอษรัร์อร์อัมษร์อักษร์อักษร์อัอักรอร์อักษังจากพวกเขาไปกักษอกษอัก ก่ อ, อนหน้าท่านนาบีมฮัมมัดลลัละลอฮุิลลัมได้รับคมภีในส บ, บยนบีมูซา บ, บีอิแตกแยกกันไปนึกว่าพอมาถึงยุคของท่านนาบีมูฮัมมัดเนี่ยจะไม่มีการแตกแยกหรือไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นาซ้าคนที่เคยได้รับคำพีมาก่อนหน้านี้พอมาถึงยุคของท่านนาบีมฮัมมัดสลลัลลอฮุิลลัมแทนที่ จะยอมรับคำพีอัลกุรอานโดยดุสดีเป็นยังไงชักระวนกระวายมูรีบเนี่ยไม่ใช่แค่สงสัยแบบธรรมดาสงสัยแบบคืออยู่อยู่ไม่สุขเหมือนพวกมุชริกีนเนี่ยเวลาที่ตอนที่เราเรียนสุราก่อนหน้านี้สุราฟุ ศ, ศลันจำได้ไหมมุชริกินฟังอัลกุรอานแล้วโอ้โห สุดยอดที่สุดแล้วไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนแน่ใจแล้วว่ามันต้องเป็นอัลกุรอานจากอะไรแต่จะรับดีไม่รับดีกลายเป็นเหมือนไฟที่กําลังทะเลาะกันอยู่ในใจตัวเองอะ่ะจะรับดีไหมหรือไม่รับดีนี่คือสภาวะของคนที่มีออะไรนะมูรีบสงสัยแบบกระวนประวายแบบอยู่ไม่เป็นสุขถ้ารับ โอ้ยเดี๋ยวพักพวกจะมาตําหนิพักพวกจะมาประจานพักพวกจะมาประนามกลัวจะเสียผลประโยชน์แต่ถ้าไม่รับก็มันเป็นความจริงอ่ะมันไม่อยอมรับไม่ได้มันเป็นความจริงแต่ว่าถ้าจะไปรับเอ้ากลัวกลัวจะสูญเสียนู่นนี่นั่นทําให้เป็นยังไงนิ่งไหมหัวใจนิ่งหรือเปล่าหัวใจไม่นิ่งอล๋อฮะอักบัตยังติดอยู่ติดอยู่กับกับดัก บางอย่างทให้ไม่ยอมรับ س ب ح ا ن a ล l a h อันนี้คือพวกมุสลิมีอัลกัลลุคัลกิตาเป็นยังไงพวกชาวคัมภีร์เป็นยังไงชาวคัมภีร์ก็สภาพเดียวกันรู้ทั้งรู้ว่าท่านนาบีมุ hammad อัลกุรอานที่นํามาเป็นคัมภีร์จอรอสุบฮานอัลตะอัลลแต่ถ้ายอมรับเป็นยังไงหมดหมดหม ด, หมดตําแหน่งทางสังคมที่ตัวเองเคยมีหมดศักดิ์ศรีรู้สึกว่าตัวเองจะเสียศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้น ทั้งๆที่รู้แต่ไม่ยอมรับทำให้หัวใจของพวกเขาจึงอยู่ในสภาพที่เป็นอย่างนี้ไม่สงบนจนกระทัง่งตัวเองหมดลมหายใ จ, ใจใก็ยังไม่ยอมรับละอิลลาห์อิลล allah astaghfirullah wa tu bi ilai ในคือสภาพของและในอิจติบ้านคือยิอยู่ในฝีอิทธิลในที่อิทธิพลและลาฟของบั้งยนว่าใ il นานั้นก็ในนั้นกอินนั้น อิขล่ฟูชักน์วรรคีย والجميع مش ر ك و ن في الاختلاف ا ل م ذ ب ก็คือมีความขัดแย้งกันไม่จบไม่สิ้น سبحان อัลลอฮ์ออีกบอกอย่งนะ إ ا ل ذ ي ن أ و ت ا ل ك ت ا ب ا ل ك ت ا ب ا ل م ع ا ص ر ي ن ل ك م ن ا ل ي ه و د و ا ل ن ا ص ر م ن ب ع د ه م من بعد الذين เอ่ยผินบา ا ัลัดีนั้บาควูหัมั้ลั้วั ن ั้ว ك ลั ا วัลั م วัลั้วัลั้ ه ذ ا ا ل ش ัลั้วัลั ي วัลั้วัลั้ ا ل ลั้วัลั้ ب ه ลั้ว ب ลั้วัลั้วัลั ن วัลั้ว ا ลั้วัลั้วัลั้ว ขัดแย้งกับบรรดานาบีเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ในทุกยุคสมัยอุ้าตนัลนแหละนะครับความจริงศัจธรรมความถูกต้องความเที่ยงแทจะอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนแปลยุคสมัยไหนก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่คนที่จะไปศรัทธาจะไปยอมรับนี่แหละทำไมเราก็แปลกใจเหมือนกันเราไม่รู้สึกนะเพราะว่าอะไร เพราะเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่เคยรู้สึกที่ว่าอะไรนะไม่เคยรู้สึกถึงถึงถึงความรู้สึกอัลฮัมดุลิลลาห์ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะยอมรับได้เลยอะ่ะแต่คนที่มันยอมรับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้จักอธิบายว่าความรู้สึกเข้าเป็นยังไงอ่าเนี่เราก็ได้แต่บอกนะว่าอย่าอย่าอย่าอย่าได้เป็นแบบนี้เลยไอความรู้สึกที่ที่กําลังเจออยู่เนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองคนเดียวนะ ความรู้สึกแบบนี้นถ้าเอาให้ชัดถ้าเป็นหมอก็คือบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่โรคใหม่นะนะใครที่มีความรู้สึกแบบนี้เราเราอยากจะบอกกับเขาอ่ะความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนโรคที่ไม่ใช่โรคใหม่มันเป็นโรคเก่าโรคโบราณมากโรคตั้งแต่สมัยโรคนบีนูโรคตั้งแต่สมัยนบีมูซ่าเพราะฉะนั้นอยากจะรักษาโรคนี้ตัดตัดทิ้งออกไป ความรู้สึกคลางแคลงความรู้สึกสงสัยยอมรับถ้ารู้แลว้วมันเป็นความจริงยอมรับจบไอความรู้สึกที่แบบอ่ะอยู่ไม่เป็นสุขความรู้สึกกระวนกระวาเนี่ยเวลาที่คนคนหนึ่งยอมรับและศรัทธาต่อลอดสภาเราแต่ อ, อะหมดเลยอ่ามันจะหายไปหมดเลยนะครับอัลลออัลลอฮอักบาร์นะนั่นแหละบางทีสำหรับเราอาจจะเป็นเรื่องง่าย แต e ่สหรับคนที่มีโรคนี้อยู่ในหัวใจแน่นอนว่ามันยากเหลือเกินที่จะยอมรับได้ในเวลาอีกไหมเอาอีกสักหนึ่งอายัอะกันนะครับ فَلِذَالِكَ ف َ د ْ ع ُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن ك ت ا ب و َ م ِْ ت ِْ ل َ ك ا um l a l um a um h um. u Rabbi na wa Rabbi kum lana a'imaluna walakum a'imalukum لا خدجة بيننا وبينكم Allah يجمع بيننا وإله المصي น่าจะไม่ทันละนะครับจะบอกว่าอายะที่สิบห้าเนี่ยเป็นอายะที่อัลลตะลาหันกลับมาบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอลัยวะสัลลัมว่าเวลาที่เราเจอกับสภาพนี้ในสังคม สาภาพของคนที่แตกแยกสาภาพของคนที่ไม่ยอมรับความจริงสาภาพของคนที่โต้เถียงกับอัลลอฮต่าละโต้เถียงกับสัญธรรมเราในฐานะเป็นผู้รับหน้าที่ในการอิคว้มาตุดดีในการทารงศาสนาเอาไว้เนี่ยเราจะวางตัวยังไงเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกอ ะ, อะไรนะเขาเรียก มีเอ่อเวลาเารียว่าอะไรอะ่ะรู้สึกรู้สึกตามไปกับเขาไหมรู้สึกท้อแท้ไปกับเขาด้วยไหมหรือว่าเราจะวางตัวยังไงเราจะวางหัวใจของเรายัางไงอยู่ในอายะห์ที่สิบห้านี้อายะห์ที่สิบห้านี้อาจจะต้องอธิบายยาวเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาละขอ a l เ a h ให้เรามาอาธิบายกันว่าอะไรคือคําสั่งของ Allah ต้าลาให้เราทําในเวลาที่เราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่คน ให้ร้ายสังคมที่ป้ายสีสังคม ท, ที่มาบัทอนไม่ยอมรับศาสนาของลอสุภาอาัลลอฮแล้วมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่มันท้าทายเข้ามาจะบัณจะเอ่อบัณฑหรือว่าจะเรียกว่าอะไรนะเอ่อเอ่อกัดกัดกรอ่อนบันทอนก็ได้กัดกร่อนก็ได้ศา ส, สนาของ Allah, ลอตอลาเนี่ยมีคนพยายามที่จะกัดกร่อน ให้มันดูโหดร้ายให้ม <aluminum boiler> <hm <cray> ันดูโหดร้ายแล้วก็ศกกปรกบอายบินละพยายามที่จะปะติดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้กับศาสนาขเาลเราในฐานะคนที่เป็นผู้ถืออามันะในการอิกรมาจุดดีเราจะวางตัวอย่างไรอยู่ในอายะที่สิบห้าัสตกิมเคมะอมิร์ตอินชาอัลล์บอัลลอฮตาลอลัมลลัลลอฮอะบิญามุฮัมมัดะลาอลีฮิวฮบัลัม سبحان ربك رب العزة أما يسفون و س ل ا م الم على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركات